ตรงนี้ก็จงนั่งขัดสมาธิเพชรเนี่ยขัดสมาธิเพชรก็ขัดยังไงอ่ะขัดสมาธิเพชรเนี่ยเขาจะต้องเอาฝ่าเท้าหงายขึ้นอย่างนี้นะก็คือเวลาไปต่อหน้าพระพัก ข, ของพระเจ้าเป็นดินเนี่ยให้หงายฝ่าฝ่าเท้าขึ้นอย่างนี้ <S <S <ๆ>แต่อย่าไปเหยียดเท้ า, ยาไปตรงหน้าท่าน <Malaysia> จะไม่เหมาะไงเ <trainers> พราะเดี๋ยวพระราชาปราถนาจะ ทรงประสงค์ในการที่จะทอดพระเนตรท่านก็จะดูอย่างนี้เป็นต้นเมื่อนั่งลงแล้วพระองค์ก็จะทอดพระเนตรเห็นเท้าทั้งสองของเจ้าได้ท่านโสรนะกอริวิสาก smile, ็เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารนะนะในแคว้นมคตลัฐนั้นน่ะถึงที่ประทับคันเฝ้าแล้วก็ถวายบังคมพระเจ้าพิมพิสารจอมเทพจอมทัพแห่งมคตลัฐแล้วก็นั่งกัดสมาธิเพชรเบื้องประพักของพระราชาพระเจ้าพิมพิสารนะ จอมเทพเนี่ยนะได้ทอดพระเนตรเห็นขนซึ่งขึ้นที่ฝ่าเท้าทั้งสองของท่านโสนาโกดิวิสาจนแน่พระไทยแล้วต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรงอนุศาสตร์อนุสาสตร์ไปว่าสอนสอนคนลบุตรในหมู่บ้านนะั้นแะปดห 0,000 ื่นคนที่เป็นที่เป็นเด็กหนุ่มเนี่ยนะก็อายาุพอสมควรนะคนเหล่านั้นเกี่ยวกับประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันสอนหมดเลยพระเจ้าวิมพิสารเป็นพระโสดาบันไหม แสดงว่าเทศเองเลยว่างั้นเด้อเทศเรื่องทิฏฐาทำมิกท็ทำประโยชน์สอนอ่าทําไมปรับใจอย่างนั้นนะปรับให้รู้จักประโยชน์ในปัจจุบันคืออะไรแล้วก็บอกพันนายท่านทั้งหลายเราได้สอนประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันนี้แล้วพวกท่านเนี่ยจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์นั้นจะพร่ำสอนพวกท่านถึงประโยชน์เกื้อกูลในภายภาคหน้า เดี๋ยวไปหาพระบรมศาสดาเถอะพระศาสดาจะสอนประโยชน์ในภพหน้าแล้วก็จะประโยชน์อย่างยิ่งแก่ท่านประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันหมายถึงพระเจ้าพิมพิสารนั้นทรงอนุาสาดถึงประโยชน์เกื้อกูลในโลกนี้ด้วยวิธีการเป็นต้นว่าควรทํากสิกรรมโคร ก, กรรมพานิชยกรรมโดยชอบธรรมการเลี้ยงดูมารดาบีดาโดยชอบทำเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมในชั้นของคำสอนของพระบรมศาสดานั่นเองพระพุทธภาคเจ้าของเรา พระองค์นั้นก็หมายความว่าพระบรมศ า, ศาสดาทรงพร่ำสอนพวกท่านในประโยชน์เกื้อกูลในภพหน้าทีนี้ลำดับนั้นนะกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 นคนก็พากันไปที่ภูเขาคิชกูดแสดงว่าภูเขาคิชกู ต, เ, กตเนี่ยรองรับคนได้เยอะใช่ขึ้นไป 80,000 คนน่สมัยนั้นพระสาขตะไม่ใช่พระนนนะพระสาขตะเนี่ยเป็นพุทธอุปถาของพระบรมศาสดา ก็ไปอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้ากุลบุตรในหมู่บ้าน8ป0 0 0ื่นคนก็เข้าไปเฝ้าพระสักตะถึงที่ที่พำนักเออไปไปไ ป, ไปหาพระสักตะก่อนเพราะจะต้องไปเจออุปถากกรก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาขั้นเข้าไปแล้วได้กล่าวกับท่านพระสักตะว่าท่านขอรับกุลบุตรในหมู่บ้าน 80,000 ่นคนเนี่ยพากันมาเข้าหาท่านนะเพื่อ เพื่อจะเข้าเฝ้าพระศ า, าสดาขอโอกาสให้พวกกระผมได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาด้วยเถิดนี่ยท่านภาษาคตะก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงรออยู่ที่นี่สักครู่หนึ่งนะจนกว่าอาตมาเนี่ยจะกราบทูลเรื่องนี้ให้พระบรมศาสดาได้ทรงทราบคั้นเสร็จแล้วกุลบุตรเหล่านั้นในหมู่บ้านนะั้นแะปดห 0,000 คนนั้นกําลังเพ่งมองอยู่เฉพาะหน้าภาษาคตะอยู่นั่นแหละท่านภาษาคตพรอสัคะตะ ก็ได้ดำลงในแผ่นหินในแผ่นหินแผ่นจีลานะบนภูเขาคิจกูดยนะดำปุ๊บลงไปเลยดำพดลงไปในแผ่นหินต่อหน้าต่อนหน้าบุตรเหล่านั้นแล้วไปโผต่อหน้าพระพัร์พระศ า, าสดาที่พระคันตกุดีนั่นแหละที่พระคันตกูดีที่เขาคิจกูดนั่นแหละแล้วก็กราบทูลเรื่องนั้นให้กับพระบรมศาสดาได้ทรงทราบ พระพู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าข้ากุลบุตรในหมู่บ้านแปดมื่นคนพากันมาณที่นี้พระขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระพู้มีพระเจ้าโปรดทรงทราบเวลาอันสมควรในบัดนี้ถุดพระพรมศาสดาสั่งว่าสาคตะถ้าอย่างนั้นเธอจงโปอาสนะใต้ร่มเงาที่สุดวิหารก็บอกนะท่านพระสาคตะทูลรับ สนองพระพุทธอาณาจั้วอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดังนี้แล้วก็ถือตังค์ดำลงเบื้องพระพักเนี่ย น, นะของพ ร, ระพูธมีพระภาคเจ้าผุดขึ้นที่แผ่นหินต่อหน้ากุลบุตรแปดหมื่นคนที่กําลังแพ่งดูอยู่แล้วก็ปูอัสนะใต้ร่มเงาที่สุดเพราอย่างนั้นจากนั้นพระบรมศาสดาสเสด็จเดินลงมาพระเจ้าไม่ได้มาได้อิทธิฤทธิใดๆเลยนะ สเสด็จเดินมาสาวกนี่อิทธิฤทธิ์เหาะปุ๊บปั๊ บ, บเลยนะีทั้งดําทั้งอนะไรแต่พระเจ้าธรรมดามาเนี่ยทีนี้พอพอลงมาประทับนะพุทธอาฏที่จัดไว้ที่ร่มร่มเงาที่สุดพระอิหารกุญแบุตรแ 0,000 ื่นคนเหล่านั้นก็พากันไปเฝ้าพระเจ้าในะที่ประทับขั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายพิว่าธิพุทธเจ้าแล้วนั่งนาะติกสมควร เวลานั้นกุลบุตรแ0 0หมคนนะ่ยสนใจแต่ท่านภาษาคตะเท่านั้นไม่สนใจพระศาสดาแล้วทีนี้ไม่สนใจพระบรมศาสดาเลยพระบรมศาสดาทรงเข้าพระทยัยถึงความคำหนึงในใจของกุลบุตรเหล่านั้นที่ 80,000 คนเหล่านั้นก็รับสั่งท่านภาษาคต่าว่าสาคตะถ้าอย่างนั้นเธอจงแสดงอิทธิปฏิหารอันเป็นอุต ตรีมนุษยธรรมนะ่ยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าแสดงเท่าเดิมนะแสดงให้มากกว่าเดิมให้เต็มที่เลยนื้อท่านภาษากรตาทูลรับสนองพุทธะอนัต์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก้าเหาะขึ้นบนท้องฟ้าเลยตอนนี้เดินจงกรมยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างบังหวนควันบ้างไฟบ้างหายตัวบ้างในอากาศเป็นต้นเหล่นี้เป็นไปตามลำดับ ตรงนี้ตรงนี้ถ้าดูในชั้นของดำลงบนแผ่นหินก็คือดำในแผ่นหินที่คล้ายกับอัศจรรย์นั่แหละตรงนี้ถ้าไปพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นนะว่านี่นี่คือพระบระมศ า, ศาสดาท่านก็ให้ภาษาคตาแสดงอิทธิปฏิหารซึ่งเป็นอุตริมนุสธรรมหายไปในอากาศหายบนทองฟ้าแล้วกลับลงมาทีนี้ใช้เวลาอยู่นานเนี่ย กลับลงมาก็มาซบศีรษะที่พระบาทของพระบรมศาสดาแล้วก็กราบทูลประกาศเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพักขอพระผู้ไอภาคเจ้าพระศาสดาข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกเนี่บอกเนี้ยพระบรมศาสดาเป็นศาสดาของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าข้าพระผู้ไอภาคเจ้าเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกประกาศอย่างนั้นน่ะสามครั้งเพราะประกาศอย่างเนี้ย ขาวนั้นคนบุตรในหมู่บ้านแปดหมื่นคนนั้นจึงสรรเสริญว่าชาวเราเอออัศจรรย์มากอัศจรรย์ใจจริงๆไม่เคยปรากฏหน้าอัศจรรย์ใจอย่างแท้สาวกยังมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงเพียงนี้พระบรมศาสดาจะต้องมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างแน่นอนก็คนมีฤทธิ์มากก็ซบยิพะบาทอันนี้ท่านแสดงอะไรเนี่ยแสดงพุทธคุณน่น่ ท่านแสดงให้เห็นคุณของภาษาสดานี่ไงที่ท่านได้ทั้งหมดนี่สมบัติของภาษาสดานั้นเขาเรียกโลกุตละสมบัติโลกิยาสมบัตินั่นนะโดยเฉพาะฤทธิทธิปาฏิหารเนี่ยเป็นโลกิยาสมบัติเป็นโลกิยาสมบัติไม่ใช่สมบัติอัศจรรย์มากมายใดๆเลยถ้าโลกุตละสมบัติเนี่ยอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้ที่จริงเวลาท่านแสดงปาฏิหารในยุค ก, ก่อนนั้นมีความหมายนะ ท่านแสดงอีกที่ปฏิหารต่อไปท่านก็จะมีอาเทศนาแล้วก็อนุสาสนีใช่ไหมคือคําสอนที่เป็นเหตุผลเป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเป้าหมายจริงๆเนะี่ยไม่ใช่ท่านแสดงเพื่ออวดเพื่อโชว์ใดๆเลยนะเป้าหมายเพื่อจะปรับจิตใจให้กุ่บุตรเหล่านั้นเกิดความอ่อนโยนและเชื่อมั่นเนะี่ยในพระบรมศ า, าสดานะนะั้นน่ยไม่ใช่อยากจะแสดงก็แสดงอยากอวดก็อวดไม่ใช่อย่างนั้นเลยอันนี้เป็นธรรมที่ยิ่งกว่ามนุษย์ก็จริง แต่ต้องการให้ท่านเหล่านั้นนะกุลบุตรทั้งแปดหมื่นคนนั่นมีใจนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ที่บอกว่าอัจชาติเคปานุเปตังเพุทธังสารนังกระฉามิเป็นต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในะข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนะ่ะแต่พระพุทธเจ้าอ่ะก็แปลว่าพระธรรมและพระสงฆ์ที่ในชั้นคําสอนในชั้นของอัจถริยก็ดีในชั้นของดีกาก็ดีที่ท่านสรุปประเด็นมาเลยถึงแม้ว่า มีคนเอาดาบที่คมกริบมาจะตัดศีรษะของข้าพเจ้าให้ขาดบอกว่านี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่พระธรรมนี้ไม่ใช่พระสงฆ์ข้าพเจ้าจักไม่กล่าวเพื่อรักษาชีวิตอย่างนั้นเลยข้าพเจ้าก็จะต้องกล่าววันนี้เป็นพระพุทธเจ้านี้เป็นพระธรรมนี้เป็นพระสงฆ์ใจของข้าพเจ้าจาักแนบแน่นตับพระรัตนตรยัยจักเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระรัตนตรจะไม่คลอนแคลน จะไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์ใดๆที่มันจะโถมเข้ามาบีบเบียนบีบขั้นกระแสชีวิตของข้าพเจ้าเลยแม้ชีวิตของข้าพเจ้าจะแตกดับไปในกาล ร, ระบตดนี้ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวต่อพระรันาตนไตรเลยเนี่เป็นอย่างนี้นะเป้าหมายหลักก็คือนั่นแหละเพื่อเพื่อจะเข้าถึงความเป็นสารณะเข้าถึงรัตนะนั่นเองให้ตั้งมั่นในรัตนะแล้วก็หันมาสนใจพระบรมศาสดา ตอนนั้นนะ่ะนะรำดับนั้นพระบรมศาสดานะทราบด้วยพระไทยถึงความคำหนึงจิตใจของกุลบุตรในหมู่บ้าน8ปดห 0,000 ื่นคนจึงได้ตรัสอนุปูปีกถาก็เริ่มจากทานากถาคือเรื่องทานศีลกถาคือเรื่องศีลสักขะคาถาคือเรื่องสวรรค์กามทีนวะคถาคือเรื่องโทษความต่ํำทรามความเศร้าหมองหรือความเร่าร้อนของกามคุณทั้งหลายแล้วก็แสดงเนคขมมะ เนคคำมานิสังสักถาอ น, นิสงส์แห่งการออกจากกรามออกจากวัตถุกรามออกจากกิเลสกามทั้งหลายเมื่อพระบรมศาสดาทราบกุลบุตรเหล่านั้นมีจิตควรอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศสามุกกลางสิกขธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมักคำว่าสามุก กังสิกะธรรมเทศนาก็แปลว่าพระธรรมเทศนาที่พระบรมศ า, ศาสดาทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองนะคือรู้เห็นด้วยพระสยามภูญาณอันไม่ทั่วไปแก่บุคคลอื่นมาจากคาว่าสามังอกกังโศอุปกิปปนังเอติตสันติสามุกกังสิกานะีนั่นแหละเป็นพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองรู้เห็นด้วยสยามภูญาณ ที่ไม่ทั่วไปแก่บุคคลอื่นเพราะอาริยสัจธรรมทั้งสี่เนี่ยไม่มีใครเห็นได้เองนอกจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมอย่างเราท่านละทั้งหลายก็แปลวเป็นผู้ที่จะต้องเห็นตามและเข้าใจตามเท่านั้นเองอนุปภิกถาเนี่ยพระโรมัสสาสดาท่านก็ทรงสแสดงเกี่ยวในเรื่องของการสแสดงเป็นไปตามลําดับแห่งเทศนาเพื่อจะขัดเกลาธรรมจากสูตรเนี่ยนะ หลังจากประกาศจบอริยาาสัจสี่แลรร้วทำมาจากสูตรที่ปราศจากธูลีปราศจากมวลทินได้เกิดขึ้นแก่กุลระบุตรในหมู่บ้าน8ปดห 0,000 ื่นคนณนะอาัสนะนั้นทีเดียวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเสมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมวลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีกุลบุตรเหล่านั้นได้เห็นธทำแล้วบรรลุรมแล้วรู้แจ้งทำแล้วอย่างลงสู่ทำแล้ว ข้ามพ้นความสงสัยความเครือบแคง16ประการตามเนยยะของพระวิธรรม8ประการตามเนยยะของพระสูตรเนี่ยนะปราศจากความแข็งใจถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องไปเชื่อศาสตราอื่นอีกแล้วในคําสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระบรมศาสดาบอกว่าพระองค์ผู้เจริญภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าไพเราะยิ่งนักขอพระผู้ข่าพระองค์ พระองค์ผู้เจริญบาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศทมได้อย่างแจ่มแจ้งโดยเหตุผลหลายประการเปรียบเสมือนบุคคลหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางตามประบีตในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมว่าทำพระสงฆ์เป็นสาระตรงเนี้ย เอเตมยังพันเตพ ว, วันตังสารนังคัจฉามิทำมันจากพกคุสังขัจนจไหมนะอุปสัสเกโนเผาะพักขวาทาเรตุอาชาตะเคเน็นปาโนเปตังสรงงนังกะตังเป็นต้นเนี่ยเห็นไหมขอพระพุทธภาคเจ้าโปรดจํำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาพูดถึงรัตนตรัยตั้งแต่วันนี้ไปจนตลอดชีวิตไ อ, อค้คำว่าตลอดชีวิตเนี่ยตรงนี้แปลว่าใครเอาดาบตัดศรีรษะข้าพเจ้าให้ขาด ให้ข้าพเจ้าพูดเป็นอย่างอื่นว่าพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ข้าพเจ้าไม่พูดแล้วเพราะข้าพเจ้าชัดเจนเห็นอเอ <c oughs> งนเนี่ยตรงเนี้ยนะตรงนี้ก็คือว่าท่านกล่าวในรายละเอียดตรงนี้ก็คือว่าต้องการจนในยะรายละเอียดที่ที่ต้องการอยากให้เห็นตรงนี้ก็คือว่ากลุ่บุตรเหล่านั้นเมื่อเมื่อเมื่อท่านได้เป็นพระโสดาบานันท่านก็นลา ก, กับ แต่พระโสนโกริวิสารท่านไม่ได้บรรลุเนะี่ยท่านไม่ได้บรรลุท่านก็บอกว่าท่านโสนโกริวิสามีความคิดว่าเราย่อมเข้าใจทั่วถึงธรรมะตามลักษณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วแต่กลุ่บุตรผู้อยู่ครองเรือนเนี่ยนะคำว่าเข้าใจเนี่ยจะไปขยายดูว่าท่านเข้าใจยังไงเนี่ยแสดงนี่ท่านเข้าใจท่านเข้าใจอนุปุพิกถา ท่านเข้าใจทานกถาศีลกถาสักขะกถากามาทีนวากถาเนคขำมานิสังสกถาแปลว่าท่านเข้าใจอริยท่านเข้าใจอนุภุพิเกถาท่านเลยต้องการมาเจริญอริยสัจนะเพราะท่านเข้าใจทานเข้าใจศีลเข้าใจสวรรค์เข้าใจการมาทีนวะโทษของกามและเข้าใจเนคขำมานิสังสกถาอันิสงส์การออกจากกามเพราะท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านบอกว่าการจะพื้ปฏิบัติเนี่ยให้บริสุทธิ์หมดจด เหมือนสังที่ขัดดีแล้วทําได้ยากในเพศฆราวาสชลอยเราคงต้องบวชเนี่ยแต่ตอนนั้นท่านยังเป็นคราวาสเนะี่ยท่านยังเป็นยังไม่ได้เป็นบลุอะไรยังไม่ได้บลุนะเนี่ยท่านก็บอกว่าแต่บุคคลผู้อยู่คลองเรือนจะพึ่งพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดดีแล้วไม่ใช่กระทําได้ง่ายท่านบอกไม่ใช่กระทําได้ง่ายเน่ยเนยทางที่ดีเราควรปรงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาย่าออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต จากนั้นกุรบุตรในหมู่บ้าน8ป0 0 0ื่นคนเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธ์ของพระบรมศาสดาลุกจากอาสนะถวายภิวาทพระบรมศาสดากระทําพทักษิณแล้วจากไปกุระบุตร 80,000 ื่นคนต่อจากนั้นไม่นานนักมีท่า น, นากุโสรนะกริวิสาก็เข้าไปเฝ้าพระบรมศา ส, าสดาถึงที่ประทับเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาสิพระบรมศาสดาแล้วนั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านกุโสรนะโนกริวิสานั่งลงแล้วกราบทูลพระบรมศาสดาอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าค้าข้าพระองค์ย่อมเข้าใจทั่วถึงธรรมะตามลักษณะที่พระบรมศ า, ศาสดาทรงแสดงเข้าใจลักษณะแล้วแต่บุคคลผู้คลองเรือนจะเพติดพรพินประจานให้บริสุทธิ์อย่างยิ่งเหมือนสังติขัดดีแล้วไม่ใช่ทําได้ง่ายข้าพระองค์ปราถนาจะโปงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกเป็นนักบวชอยากอยู่ป่าอยากเป็นบนรรพชิตขอพระผู้มีพระภาค ทรงพระมหากรุณาให้ข้าพระองค์บวช ด, ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าท่านโซน ก, กริสักเนี่ยที่จริงในรายละเอียดในแชทก็อธิกถาท่านไปขยายว่าไปขออนุญาตจากมารดาบิดานีแล้วก็มาบวชในพุทธสํานักแล้วภายหลังจากอุปสมบทแล้วไม่นานท่านโซนะโ ก, กริสักรบรรพักก็ไปพำนกที่ป่าศรีตะวันศรีตาเนี่ยวันเนี่ยวันศรีตากแปลว่าเย็นนีวันนะก็คือป่านั่นเอง หนังสือบางเล่มก็แปลกันว่าดงพญายเย็นป่าศีตะวันท่านปารบความเพียรอย่างยิ่งยวดท่านก็เดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตกที่จริงท่านบวชแล้วไม่นานแต่ท่านเรียนจนเข้าใจนะท่านก็ออกไปเดินจงกรมจนเท้าแตกสถานที่จงกรมเปื้อนโลหิตดุจสถานที่ฆ่าโคไม่ใช่แตกธรรมดานเนี่ย ทีนี้ครั้งนั้นท่านพระโสนะโกริวิสาเนี่ยหลีกเล่นอยู่ในที่สงัดก็มีความคิดอย่างนี้ว่าบรรดาสาวกของพระบรมศาสดาผู้มีความเพียรอยู่เราก็เป็นรูปหนึ่งนะแต่ถึงกันนั้นจิตของเราก็ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเราท่านก็นมาพิจารณาบอกว่าขนาดเราเพียรขนาดนี้นะยังไม่ได้บรรลุเนี่ย พอท่านคิดในลักษณะอย่างนี้ท่านบอกว่าสถานที่ดงเติมจงกรมเปือเป้อนเพื่อเลือดเนี่ยนะสถานที่ฆ่าโคเป็นเช่นเดียวกับสถานที่ฆ่าโคในชั้นของอัย ก, การีกาท่านบอกว่าคือมหาชนเขาได้สร้างที่จงกรมเขาไว้ในป่าอย่างเนี้ยประมาณร้อยห้าร้อยแห่งสําหรับพระที่ไปเดินจงกรมเพื่อปฏิบัติกันแล้วก็ต้องมองภาพเนี่ยสถานที่ใกล้ๆเขาคิ่จกรูเนี่ยนะ มีสถานที่เดินจงกรมประพฤติปฏิบัติของพระเนี่ยอันนั้นแปลว่ารับรับกรรมฐานจากพระบรมศาสดาท่านก็ไปเดินโยงกรมไปปฏิบัติกันไปไข่ควรไปเพ่งไปพิจารณาไปวิจัยกันใช่ไหมรับกรรมฐานไปก็ไปทําความเพียรรับกรรมฐานก็ไปทําความเพียรกันบรรดาที่จงกรมเหล่านั้นพระเถระถือเอาที่จงกรมที่เหมาะสมแก่ตนแล้วก็เจริญสมเอธรรมเมื่อท่านเป็นผู้ปารบความเพียรเดินจงกรมอยู่ฝ่าเท้าได้แตกเดินไม่ไหวท่านก็คุกเข่าอีกจงกรม เขาก็แตกอีกท่านก็คานได้มือเนอะเอามือด้วยมือประคองไปด้วยมือก็แตกสรุปก็คือฝ่าเท้าก็แตกเข่าก็แตกมือก็แตกก็แผลชกายชะการเกิดขึ้นก็เหมือนกับสถานที่พระเห็นตกใจกันนี่ที่เขาฆ่าโคเนี่ยต้องคิดดูเลือดมันออกขนาดไหนเนี่ยที่ฆ่าโคแม้พระเทลาจะปารบความเพียรขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเห็นแม้แต่โอภาษนิมิต เดีย๋ยวจะไปขยายกับว่าโอภาดิมิตรเมื่อท่านนะมีกายเมื่อยล้าเพราะความเพียรนั่งบนแผ่นศิลาท้ายที่จงกม่มจึงเกิดความดําเิซึ่งเป็นการมวิตกเนาะเกิดขึ้นเลยบอกว่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีมากเราอาจจะใช้สอยทรัพย์สมบัติบาเพ็ญทำบุญเถิดทางที่ดีเราควรศึกไปใช้สอยทรัพย์สมบัติแล้วก็บาเพ็ญบุญ ชันคิดท่านานีนะคือท่านปารบความเพียรเนี่ยท่านปารบความเพียรก็คือประคองความเพียรเต็มที่จิตของเราก็ยังไม่หลุดพ้นจากกา ม, มาสวาภวาสวาทิฐาสวาวิชาสวาที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ท่านปงใจเชื่อหากเราเป็นอุคติตันยูหากเราเป็นวิปปจิตตันยูหากเราเป็นเนยยะบุคคลจิตของเราไหนเลยจะไม่หลุดพ้น สงสัยเราคงจะเป็นปั ะ, ะประมาบุคคลเป็นแน่แท้เพราะจิตของเราเนี่ยไม่ยอมหลุดพ้นก็ดำลี่ว่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เป็นต้นเนี่ยนะเอามาพิจารณาอย่างนี้จะเห็นนั่นแหละคือโอภาษนิมิตไม่ปรากฏกับท่านในชั้นของบาลีโอภาสนิมิตนะคือนิมิตที่เกิดจากบริกรรมมาสมาธิ หมายถึงโอภาสที่เกิดจากอุปจารสมาธิโอภาสที่เกิดจากสมถะโอภาสที่เกิดจากวิปัสนาทั้งหลายเหล่าเนี้ยนะไม่เกิดขึ้นกับท่านเลยไม่ได้แม้กับชั้นของอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิโดยเฉพาะบริกรรมมณิมิตต่างๆเหล่าเนี้นะคือไม่ได้โอภาสไม่ได้นิมิตเหล่านี้เลยไม่ได้ไม่ได้สมาธิเหล่านี้เกิดขึ้นเลยว่างั้นเถอะไม่ได้บริกรรมสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิเนี่ย ไม่ได้สมาธิที่เกี่ยวกับการปราบวิปัสนาให้เดินขึ้นไปได้เลยทั้งๆที่ท่านเพียนขนาดนี้ท่านก็เลยท้อท่านก็เลยท้อเมื่อท่านมีความเมื่อยล้าความเพียนนั่งบนศิลาเป็นต้นเหล่านี้แล้วเนี่ยนะท่านจึงกล่าวว่าท่านโสนะโกริวิสาเนี่ยท่านเพียนขนาดนี้ใจท่านก็ยังไม่หลุดพ้นท่านก็เลยมาดํางหลีว่าท่านคงจะไม่ใช่อุคติตันยูวิปจิตันยูแล้วก็เนยยะเป็นแน่แต่สงสัยท่านจะเป็นปทาปรมานี่นะ ในครั้งนั้นพระบรมศาสดาทราบถึงความดําริในใจของท่านแล้วโสนะโกริวิสาก็ทรงหายจากภูเขาคิชกูดแล้วก็มาปรากฏพระองค์ที่ป่าศีตะวันเหมือนคนที่มีกำลังเหยียดแขนออกและคู่แขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นพระบรมศาสด า, สดาเนี่ยนะ พร้อมด้ภิกษุเป็นจํานวนมากเสด็จเที่ยวจาริกตามเสนาสนะเสด็จไปที่จงกรมของท่านพระโสนโกริวิสาพระพุทธเจ้าภาคเจ้ากทอดพระเนตรเห็นสถานที่จงกรมเปื้อนเลือดเข็นแล้วก็รับสั่งถามภิกษุเลยว่าเอ๊ะเนี่ยใครสถานที่จงกรมของใครอย่างกสถานที่ฆ่าโคเลยเนี่ยภิกษุกระโทนบอกว่า พระโสนาโกริวิสาปารอบความเพียรอย่างยิ่งยวดเดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตกสถานที่จงกรมเลยเป็นเหมือนกับสถานที่ฆ่าโคพระเจ้าข้ากราบทูลพระาศาสดาทราบ พ, พระาศาสดาเข้าไปยังโสณกโกริวิสาเนี่ยนะเสด็จจึงประทับนั่งนะพูสะอาดคือสมัยก่อนทั้งที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าพระที่ไปเดินจงกรมไปปฏิบัติอยู่รูปเดียวรับกรรมฐานจากพระาศาสดาท่านจะต้องภูอาสนะไว้ไว้ให้พระพุทธเจ้า ฉะนั้นกรรมอาตสาวกของพระพุทธเจ้าในครั้งก่อนนี่พระเจ้าดูแลหมดเลยนะจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านพระเจ้าก็ดูแลนะพระเจ้าไม่ทิ้งท่านก็จาริกไปที่ตรงนั้นแล้วก็ไปทับนั่งที่พุทธอสานเป็นต้นเหล่านั้นเนะี่ยคือคือตรงนี้ในชั้นของอัตถกถาในชั้นดีกาท่านก็จะขยายไว้ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่า เมื่อประทับเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าโสนะเธอหลีกเลนอยู่ในที่สงัดเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมว่าบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีความเพียรที่ปารบความเพียรที่มีอา ร, ร, ท า, ราทาตนิกมาธาตุปะรักมาธาตุเนี่ยนะเราก็เป็นผู้หนึ่งใช่ไหมเธอคิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถึงกันนั้นจิตของเราก็ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายมีการมาสวะเป็นต้นไม่ยึดมั่นถือมั่นใช่หรือไม่ เธอก็คิดต่อไปว่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของท่านมีของเธอมีอยู่เราจะศึกไปใช้สอยทรัพย์ในตระกูลของตนเองแรับําเพ็ญกุศลก็ได้ทางที่ดีควรจะศึกไปใช้สอยทรัพย์เหล่านั้นเพื่อจเจริญบุญท่านคิดอย่างนี้หรือไม่ก็ก็ต้องตอบว่าใช่คิดอย่างนี้ท่านพระโสนะก็รับภระสาสดาโสนะเธอจงเข้าใจเธอจะเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรเมื่อครั้งที่เธอคลองเรือนภระาศาสดาแสดงเลย พรอพระโสนะเที่ผู้ชํานาญในการดีดพินพระพุทธเจ้าก็เอาพินมาเป็นข้ออุปมาว่าพระศาสดาแต่โสนะเธอเข้าใจความข้็เวลาสายพินเนี่ยของเธอตึงเกินไปพินของเธอมีเสียงเพาะหรือไม่ใช่ไหมใช้การไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะโสนะถ้าเข้าใจอย่างนั้นเวลาสายพินของเธอหย่อนเกินไปพินของเธอมีเสียงเพาะหรือใช้การได้หรือไม่หรือไม่ บอกโนเหตังพันเตตีบอกว่าท่านพระโสดนะก็กราบทูลว่าใช้การไม่ได้พระพุทธเจ้าคะใช่ไหม พ, พุทธิจ้าถามตอบถามตอบถามตอบ พ, พระพูทธพาเจ้าก็ตรัสว่าโสดนะเธอเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรเวลาสายพินของเธอไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปขึงสายอยู่ในระดับที่พอเหมาะพินของเธอมีเสียงไพเราะหรือใช้การได้ไหมเอวังพันเตตีบอกว่า ท่านประสูนะกราบทูลว่าใช้การได้ดีพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าตรัสประสูจนะถ้าเช่นนั้นความเพียรที่ปลาลบยิ่งยวดย่อมเป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านความเพียรที่ยอดหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกลียดข้านฉะนั้นเธอจงตั้งความเพียรให้พอดีจงปรับอินทรีย์ให้เสมอกันและจงถือเอานิมิตในเมื่อมีความเสมอกันเช่นนั้นท่านประสูนะรับสนองพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ับลำดับนั้น พระพุทธเจ้าก็สอนท่านพระโสนะด้วยโ อ, อวาทข้อนี้แล้วหายที่จริงสอนรายละเอียดเรองการแสดงเรื่องอินทรีย์ให้เดินสัตทินทรีย์วิริยนินทรีย์สตินทรีย์สมาทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์ให้เกิดความสมดุลกันอย่างไรเนี่ยแล้วก็หายไปจากป่าศีตะวันต่อหน้าพระโสนะมาปรากฏที่ภูเขาคิจกูดให้ตามลำดับนี่เป็นไปลักษณะนี้ แล้วต่อมาท่านก็ปาราความเพียรปรับความสมดุลของศรัทธาปัญญากับศรัทธาวิริยะกับสมาธินะสมาธิกับวิริยะแล้วก็แล้วก็จงยั่งรู้ความที่อินทรีย์เสมอกันแสดงเอานิมิตต่างๆเหล่ า, า, านี้นเป็นต้นก็คือว่าเธอทำท่านบอกว่าก่อให้เกิดนิมิตให้เหมือนเงาหน้าในกระจกนะอันได้แก่สมถานิมิตวิปัสสนานิมิตมรคนิมิต ผลนิมิตเนี่ยในสมันตาบาสัตติกาท่านขยายไว้ตรงนี้ก็คือคือท่านแสดงให้เห็นว่าเวลาตรงนี้ส่วนในรายละเอียดการปรับเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีแต่นี้เป้าหมายตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวในเรื่องตรงนี้คือต้องการกล่าวใจความว่าเวลาพระบรมศาสดาท่านแสดงธรรมถ้าโปรดคารวะทั้งหลายที่เห็นชัดที่สุดนะ ไปดูในจุนทะสูตรที่ตอนที่พระบรมศ า, ศาสดาทรงสอนนายจุนทะกัมมลบุตรตอนนั้นนายจุนทะเนี่ยบุตรของนายช่างทองไปถามพระบรมศาสดาเรื่องถามเรื่องออสมณะเรื่องธรรมะระดับ ส, งสูงพระาศาสดาก็บอกว่าจุนทะเธอควรจะถามเรื่องกุศลอกุศลก่อนในทุนนง ท่านดาริในใจว่าคารวะคาราวะาน่าจะถามน่าจะลุกจากกุศลอกุศลให้ชัดเจนเวลาจะดีดขึ้นธรรมะระดับสูงมันจะเกินวิสัยของเธอไปในทรรมดองอย่างนั้นะเพราะให้สังเกตดูวนะว่าภาษาสดาแสดงท่านจะปรับตั้งแต่าฐานนักขาศีลกถาสักขาขาตามาทีนวักขาในคำนันทัน้งศึกทังศังสัก ข, ข า, าแล้วก็จะสรุปลงอริยสัจอย่างนี้นะเป็นการปรับ ปรับวิธีคิดสรุปก็คือว่าเป้าหมายก็คือพระองค์ให้รู้จักกุศลกรรมมากุศลกรรมให้รู้จักบุญบาปให้รู้จักกุศลอกุศลซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ก็ต้องปรับให้เข้าใจให้ชัดเพราะเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายในการแสดงธรรมของพระศาสดาเนี่ยนะต้องการให้พุทธบริษัทของพระองค์เนี่ยเข้าใจกุศลในชั้นตั้งแต่ทานในกุศลศีลกุศลปรับเข้าสู่ระดับภาวนากุศลเพื่ออะไร เพื่อทําให้จิตนั้นเกิดความอ่อนโยนใช่ไหมฝึกจิตทั้งหมดเลยฉะนั้นอุปกรณ์ในการทานในกะุศลศีลกุศลเป็นต้นเหล่านี้เป็นการฝึกจิตขัดเกลาจิตกล่อมเกลาจิตเพื่อให้จิตนั้นนะเข้าถึงความอ่อนโยนนะเพราะสภาพจิตเนี่ยที่ไม่อ่อนโยนนั้นเพราะไม่ได้ขัดเกลาใช่ไหมในชั้นของโป ร, ปรพีกถาเนี่ยในชั้นของคําสอนอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าดําหลัดที่บอกว่าในด้านของทานที่ภาษาสดาตรัสเนี่ยนะ ในชั้นของการตัดที่บอกว่าในชั้นของทานในชั้นของศีลเป็นต้นอะไรเนี่บอกว่าทานนี้ที่บอกว่าธรรมดาทานนี้เป็นเหตุแห่งความสุขทั้งหลายคือสุขในชาติปัจจุบันแล้วก็สัมปรญญายภพสุกสุขที่เนื่องด้วยพระนิพพานก็ล้วนมาแต่ทานเป็นเหตุและทานนี้ยังเป็นอุปนิสย ป, ปัจจัยเป็นปัจจัยที่มีกําลังแก่ความสุขที่เนื่องด้วยฌานความสุขที่เนื่องด้วดยวิปัสนาความสุขที่เนื่องโดยมรรคผลและก็นิพพาน เป็นมูลเหตุแห่งสมบัติทั้งหลายเป็นที่รองรับแห่งโพคาสมบัติด้วยเป็นที่ต้านทานเป็นที่เล้นเป็นที่ดำเนินไปเป็นที่พึ่งพิงของบุคคลพูดถึงแล้วซึ่งความพินพาดถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นชัดเลยนะว่าทานเจตนาทานทั้งหลายเหล่านี้เป็นจุดของการเป็นกุศลกรรมใช่ไหมเจตนาทานเนี่ยเป็นกุศลกรรม นี่ตัวกุศลกรรมเน้นธรรมชาติของเจตนาเจตสิกเนี่ยธรรมชาติของเขาคือกระตุ้นเตือนชักนำสมบูญธรรมที่ธรรมชาติของเจตนาถ้าเขาไปกระตุ้นเตือนชักนำสมบูญธรรมที่เกิดร่วมโลภะตัสามโมหะอันนี้มันเสียหายความวิบัติก็จะเสียหายมันจะให้โดยโลภะโทวสามโมหะนี่มันก็ไปแล้วมันไม่ใช่ฐานแล้วพระองค์ก็เลยบอกว่าให้รู้จักกุศลแล้วกุศลพอรู้จักกุศลแล้วกุศลก็คือต้องการจะประชุมเจตนาเจต สิกขะธรรมที่เป็นเจตนาทานทั้งหลายให้มีความคุ้นเคยกันกับสัทธาสติฮิริอัตปะอโลพาอะโทสักเป็นต้นเหล่านี้เพราะอะไรเพราะเป้าหมายจริงๆก็เพื่อจะทําให้เจตนาที่เกี่ยวกับในเรื่องของทานนั้นเพราะทานนี้เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ความสุขที่เกี่ยวกับฌานวิปัสนาแล้วก็มรรคใช่ไหมการที่จะทําให้ทานอาเจตนาเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นปริขาละ เป็นปริขาละคือเป็นเครื่องประดับจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตตอนเนี้จิตถูกปรุงแต่งด้วยทานกุศลด้วยศีลกุศลด้วยภาวนากุศลเป็นต้นไหมตรงนี้ก็ดูตรงที่บอกว่าถ้าหากว่าเป็นมูลเหตุของสมบัติทั้งหลายเป็นที่รองรับของโภคสมบัติเป็นที่ต้านทานเป็นที่เลนเน่เป็นที่ดําเนินไปและเป็นที่พึ่งพิงของบุคคลพูดถึงความเสื่อมพินาศที่อาศัยที่รองรับที่ยึดเหนี่ยวเป็นต้นนั่นเนี่ยนะ ที่ต้านทานและที่เล้นที่ดำเนินไปที่พึ่งพิงในโลกนี้ใลโลกหน้าซึ่งเสมอด้วยทานย่อมไม่มีแท้จริงแล้วทานนี้เป็นเหมือนกับสิงหาดแก้วใช่ไหมเป็นลัตนาบัลลังก์เงนเลิศถ้าบอกว่าลัตนบัลลังก์ของสัมมาสัมพุทธาได้มาด้วยทานอกุศลเป็นเหตุนะเป็นเหตุหนึ่งนะนะที่ท่านไป น, นั่งบัลลังก์ตรงนั้นได้ที่ชนะพยามารได้นมีทานบารมีเป็นตะ้นะนะนั่นแหละนะนะนะ นั่นลัตนะบาลังนั้นกว่าจะได้มากว่าจะได้มาดูทานนกุศลที่ท่านถมไปสิดูท่านถมทานากุศลของท่านไปศีลกุศลที่ท่านถมไปเป็นต้นจนถึงอุเบกขานั่นแหละคือกว่าที่ท่านจะได้รัตนะตรงนั้นมาเนี่ยท่านถึงบอกทานเป็นต้นเหล่นี้เป็นสิงหหาดแก้เป็นรัตนะบาลังเงินเลิศเพราะเป็นที่อาศัยได้อย่างมั่นคงเหมือนมหาปัจพีไงเป็นที่รองรับเหมือนอะไรเหมือนเชือกยึด เพราะเป็นที่ยึดเหนียวเหมือนนาวาไหมเพราะทําให้ข้ามพ้นจากชาติทุกชราทุกพยาทิาทุกขและมรณะทุกขวัดตทุกทั้งหลายเนี่ยมันขับเน้นไปจากเจตนาทานนี่แหละนีที่เราจะสามารถพ้นจากจากชาติทุกชรลาทุกพยาทิทุกข์ได้แต่ปริมาณของเทศนะเจตนาเหล่านั้นต้องมากต้องมีกําลังอย่างมหาศาลแต่จะมีกําลังได้อย่างมหาศาลนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนาน ปุพพาเจตนาต้องมากเพราะมูลจากเจตนามันขณะเดียวไงมันใกล้ชิดมากอปราเจตนาก็ต้องมากปุบพาเจตนาก่อนกับอปราชประเจตนาเป็นต้นเหล่านี้อัปราเจตนาต้องแข็งแรงเพราะปุบพาเจตนามูลจากเจตนาเนี่ยมันเป็นขณะที่สั้นไม่ค่อยมากเท่าไหร่ยกเว้นแต่คนที่ไปแจกนานานาใช่ไหมถ้าอย่างพระบริษัสตนี้ท่านได้มูลจากเจตานานานบางคราวท่านแจกเป็นเจดวันเจเดือนเจ็ปีอะไรของท่านเนี่ย ท่านทํากิจกรรมแจกเป็นยอดๆสองยอดของท่านใช่ไหมแต่ของเราท่านทั้งหลายเนี่ยแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียวเนี่ยมูลจากของเราเนี่ยมันสั้นแต่ของพระโพธิสัตว์ที่ท่านทําเนี่ยมันยาวเพาท่านทํากิจกรรมการแจกของท่านเนี่ยเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของท่านท่านแจกเจตนาเนีจเจตนาทานของท่านกุศลเจนาของท่านเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีกําลังอย่างเงี้ยเป็นนาวาทําให้ข้ามพ้นจากชาติทุกชะลาทุกเป็นเหมือนนักรบใจกล้าในสงครามเพราะคอยปลอบใจ บอกว่านักรบเนี่ยเนอะที่เขาอยู่ในสงครามเนี่ยยิ่งระยะการในยุคปัจจุบันเราก็จะเห็นมันเกิดความเดือดร้อนระส่ำระสายทั่วแล้วหัวแหงเนี่ยนะมันรบกั น, นมันมันไม่มีเครื่องปลอบใจมันทุกข์แต่ทานอกุศลเนี่ยเป็นเหมือนนักรบเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นทำให้เรากล้ากล้าในสงครามคอยปลอบใจเป็นเหมือนนครที่สร้างไว้ดีแล้วเพราะต้านทานภัย เพราะต้านผ่านภัยทั้งหลายเป็นต้นได้ถ้าบอกว่าไอ้กรณีสมมุติว่านะเราไปอยู่ในสภาวะเขาต้องบอกว่าทานกับการลบเนี่ยมันเสมอกันถ้าใครต้องการอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวทานกุศลเนี่ยมันเกิดยากหรือเกิดน้อยเราทั้งหลายลองให้ปิยะทานังดูสิให้ของที่รักเนี่ยแล้วจะเหน็นต่อสู้ยากเคยไหม ของไม่จําเป็นต้องมีราคานะันนี้ยแต่ของนั้นเรารักมากเรายึดไว้มากเราห่วงมากลองสละสิ่งนั้นสักชิ้นแล้วเราจะรู้จักเม็ดของทานหรือกลุ่มของฐานในกุศลดีว่าสภาพมันเป็นแบบนั้นและเราก็จําหมายสภาวะใจอย่างนั้นไว้ที่มันต่อสู้กับความตณีความห่วงตรงนั้นได้แล้วเราก็เข้าใจมันนี้เองตัวทานในกุศลมันได้ความปราบลืล้มมันได้ความสุขมันได้ความเป็นอิสระได้ความสุข ไดสภาวะที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากปียทานที่ให้แม้พระโพธิสัตท่านถึงให้บุตรเป็นทานได้ภรรยาเป็นทานให้ตาเป็นทานให้อวัยวะเป็นทานท่านพูดเลยนีบุตรและภรรยาไม่ใช่เป็นที่รักของเราเนะเป็นใช่ไหมแต่สัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่รักยิ่งกว่าเป็นต้นเหล่านี้ตาก็ไม่ใช่เป็นเป็นที่รักหูจมูกเล่นกายของท่านเนี่ยอวัยวะน้อยใหญ่ที่ท่านสลับเนี่ยจนแผ่นดินพ่ายแพ้เป็นต้นเหล่านี้ท่านไม่ใช่ไม่รัก แต่ท่านสละอย่างนั้นได้เพราะท่านต้องการสร้างอะไรโส ม, มนัสนั้นเม็ดของมหากุสโสมนัสญานนะสัมปยุตเป็นอสังขารฤทิจึงท่านเข้าใจเลยว่าเจตนากรรมตัวเนี้ยที่อยู่ในมหากรุสดวงแรกอย่างเนี้ยท่านใช้จนคุ้นเคยจนเคยชินพอกพูนจนเกิดจนมีกาลังนี่นะเคยสังเกตไหมวเวลาศึกษาคำสอนกันเนี่ยท่านบอกว่ามหากุศ ล, ลจิตใช่ไหมเป็นจิตที่มี และให้ผลมากกว่าตนและเป็นเบื้องต้นแก่ชาในะพิญญามาผลแปลว่าอะไรแปลว่ามันเกิดนิดเดียวก็มีกําลังสัตว์โลกทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ในอากุศลเกิดมากแม้กุศลเกิดได้นิดหน่อยเนี่ยกำลังเขาเยอะแต่ด้วยการที่สัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้จักกุศลที่ชัดเจนอากุศลที่ชัดเจนยังแยกแยะไม่ออกนั่นเองถ้าวันใดวันหนึ่งรู้จักแยกแยะสภาพของกุศล อ, อ, อกุศลออกแล้วเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องเมืไรเมื่อไร่นะ สภาพกุศลเนี่ยมันเกิดยากเพราะกรรมมัสกตาสมาธิที่ของศาสตรทั้งหลายเนี่ยเกิดยากมากนะอย่าลืมนะให้สังเกตถ้าเราสรุปว่ากรรมสกาสมาธิจริงๆเนี่ยไปอยู่ในกังขาวิจารณาวิสุทธินะถ้าเราเข้าใจตรงนี้จะได้ชัดว่าเลยที่ที่วิสุทธิไปแล้วใช่ไหมมันสูงสุดจริงๆอย่างเราที่ศึกษาพระธรรมกันเราจะเห็นคําว่าผู้ทํากรรมไม่มีผู้รับผลกรรมไม่มีมีแต่สภาวะธรรมเท่านั้นเป็นไปอยู่ความเห็นอย่างนี้จึงเป็นสัมมาทัศนา ไปอยู่ในกรรม12กรรม16ไปอยู่นู้นแหละในกังขาวิจารณวิสุทธิ้นู่นแหละถ้าเรามองตรงนี้เราจะได้เห็นโอ้เพียนอย่างนี้เองฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจกุศลกรรมอกุศลกรรมจริงๆเนี่ยเราจะไม่กล้าโกรธหรอกเราจะไม่กล้าโลภหรอกเราจะไม่กล้าหลงหรอกนี่เพราะการที่ไม่ชัดเจนตรงนี้เราถึงปล่อยเขาเกิดเรื่อยโมหะแล้วแรงอยู่ไงโมหะมันคอยปิดอยู่แล้วก็ให้มันมาเกิดใจเราก็เป็นทุกกระวนกวายเดือดร้อนใจเนี่ย วิตกกังวลเครียดกุ้มรุมอยู่ต่างๆเหล่านี้เพราะไม่ชัดเจนในในเหตุและผลฉะนั้นปัจจุบันในเหตุทุกครั้งเนี่ยทุกความคิดเนี่ยเป็นปัจจุบันในเหตุนะใช่ไหมและสิ่งที่เราได้รับทางตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเสียงพระธรรมที่รับอยู่เนี่ยเป็นปัจจุบันผลที่เรากําลังและได้รับมาจากดีตเหตุนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ชัดเนี่ยและในขณะเดียวกันใจที่เราคิดเป็นไปกับพระธรรมคําสอนอันนี้เป็นไป ป, ปัจจุบันในเหตุ และจะต้องมีผลต่อไปในการข้างหน้าถ้าด็อร์และดาล น, นั่งรถแท็กซี่ปุ๊บเรียกมาปุ๊บ บ, บอกว่าไปไหนจะไปบ้านนี้นีมันชื่นใจตั้งแต่นั่งรถแท็กซี่ใช่ไหมมันรู้ตลอดสายเดี๋ยวก็ไปถึงบ้านนี่เหมือนการเหตุที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยถ้ามันรู้ตลอดสายมันจะรู้ว่าผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันอะไรแต่การที่เรายังไม่เห็นผลในตลอดสายในอนาคตนี่แหละเราเลยประกอบเหตุผิดบ้างถูกบ้างกันอยู่ในปัจจุบันไง แล้วประกอบเหตุไม่ถูกส่วนใหญ่เพราะเรามองไม่ตลอดสายว่าอะไรจะเกิดขึ้นในลำดับแห่งขันของเราในลำดับแห่งพบของเราในลำดับชาติของเราใช่ไหมในปัจจุบันใพบในวันพรุ่งนี้บัืนนี้เราก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น <S <S เหตุที่ไม่ทราบเพราะเรายังสับสนกับปัจจุบันในเหตุที่เป็นบุญและเป็นบาปอยู่ถ้าเราชัดเจนในปัจจุบันในเหตุที่เป็นบุญและเป็นบาปชัดมันจะมองเห็นแน่นอนว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลย ถ้าเราสร้างประกอบเหตุที่มันถูกเนี่ยแล้วมันเข้าใจอย่างชัดเจนเนี่ยทุกกุศลทุกชาวนะถ้ามันชำนาญจริงๆเนี่ยนะทุกกุศลทุกชาวนะที่เราสามารถประกอบปัจจุบันเหตุได้อย่างชัดเจนและประทับใจจริงๆเนี่ยนะเราจะไม่อยากให้บาปแทรกใจเราเลยยังขึงนบอกว่าในบรรดาบุคคลที่เขาไข้ควรมากที่สุดเนี่ยเขาอ่านแล้วเขาไข้ควรเขามาปฏิบัติอ่านแล้วไข้ควรมาปฏิบัตินีไม่ใช่อ่านเหมือนอามาอ่านอ่านอนอนจะไปสอนยังไงหนี่อามาเป็นรองเลยเรื่องเลยเนี้ มาต้องมาใข้ควรใช้ให้ได้อย่างเนี้ยใจก็ต้องคี้ต้องไข่ควรต้องปรุงแต่งต้องมนัสิการอยู่ตลอดเพราะอะไรความรักตนเนี่ยใช่มัมยิ่งรักยิ่งกลัวตนเองจะพลาดเพราะมันพลาดมาเยอะแล้วชีวิตเนี่ยมันพลาดมาเยอะแล้วในสังสารวัตที่ผ่านมามันก็จมดิ่งลงในอายภูมิมันก็เยอะแล้วยิ่งมาเจอคําสอนที่อันปรื่อดใช่ไหมของพระเชษนาเจ้านานๆจะได้เจอสักทีใช่ไหม มันก็เหมือนเราได้มาเจอสิ่งที่ประเสริฐเลิศที่สุดในชีวิตของเราเพอเจอแล้วเป็นไปได้ไหมจะไม่ขวายคว้าโอ้มันก็ต้องเร่งขวายคว้าแล้วเพื่อประโยชน์ตนใช่ไหมเพื่อประโยชน์ตนเพื่อขัดเกลาเพื่อพอกพูนเพื่อเจริญกุศลเนี่ยทีนี้ถ้าเราเดินผิดถ้าเราไข่ควรผิดเลยใช่ไหมถ้าเราสร้างปัจจุบันในเหตุผิดพลาดนี่นะอนาคตผลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันจะพังเป็นแถบเลยนะเพราะสิ่งไม่ดีไม่งามสิ่งแวดล้อมที่เสียหายทั้งหลาย เราเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมในอนาคตนะอย่าลืมนะนั้นทุกเม็ดของกุศลเอามาใช้คําว่าเม็ดเนี่ยเป็นจำนวนนะทุกทุกคำทุกกุศลที่เกิดขึ้นเนะี่ยหรือทุกขนาด จ, จิตที่เกิดขึ้นทุกการกระทําที่เกิดขึ้นทุกคําพูดที่เกิดขึ้นถ้าถูกขับเน้นมาด้วยกายกรรมวจิกรรมหรือมโนโกรรมที่เป็นทุจริตคนที่เสียหายคื อ, ค, อคือคนที่พูดเนะี่ยคนที่ทำเนะียไม่เอามาถ้าสมมุติว่าโอ้มากล่าวพมาทำมาแสดงมาอะไรต่างๆน่นี่ถ้าอามาเกิดเป็น ไปทำทุจริตให้เกิดขึ้นขึ้นมาเนี่ยนะความเสียหายไม่ได้เกิดหรืพวกเราเลยเกิดามาตรงๆเต็มๆเลยเนี่ยใช่ไหมเอามาต้องเป็นผู้รับและที่ยุ่งยิ่งกว่านั้นสมมติอเอามาบอกอะไรต่างๆที่พลาดออกไปเนี่ยนะถ้าพวกเราไปทําตามโอ้โหบาปไหลกระแทกมาเต็มเป่าเลยอย่างเนี้ยในสิ่งต่างๆนี้ซึ่งซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ต้องระวังฉะนั้นจึงบอกว่านี่แหละภาวะของเราทั้งหลายเวลาเราจะเลิญกุศล สิ่งทั้งบอกว่าเหตุผลต้องชัดต้องชัดเลยเพราะว่าอดีตเหตุปัจจุบันผลตอนนี้รับตลอดเลยสีที่เห็นใช่ไหมสีที่เห็นเนี่ยอันนั้นเป็นผลจักรคูยานี่เป็นวิบากจักรคูคประสาทเป็นผลเนี่ยนะแยกระหว่างผลกับวิบากสรุปก็คือว่าเป็นนิพปยายักับเป็นปริยายะเป็นโดยตรงกับโดยอ้อม รับตลอดเลยนะนี่นี่มาเฉพาะทางตาก็รับตลอดเลยแทบตลอดหูจมูกเล่นกาย เ, ยเป็นต้นเหล่าเนี้ยฉะนั้นสภาพที่รับอย่างนี้เลยในขณนะดเดียวกันชาวหน้าที่เกิดขึ้นก็สร้างปัจจุบันในเหตุตลอดถามว่าใครจะสามารถปรุงแต่งโชวหน้าให้เป็นกุศลได้เป็นโยนิโสหรืออโยนิโสเถ่า น, น, นี้แหละฉะนั้นทุกคนจะเป็นผู้ที่กําหนดชะตาชีวิตของตนเองแต่คนที่มองได้ตลอดสาย เข้าใจอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลเข้าใจเหตุกับผลเหตุกับผลจนชัดเจนทุกเรื่องได้เพราะที่สุดจริงๆคําสอนของพระศาสดาเป็นเรื่องของเหตุผลเป็นเรื่องของเหตุผลจริงๆและต้องเหตุผลว่าถ้าเหตุผิดผลจะผิดเหตุถูกผลจะถูกถ้าเราเข้าใจในชั้นของคําสอนในลักษณะเนี้เนี่ยพระศาสดาก็จะขัดเกลาบอกว่าถ้าทานกุศลเป็นกุศลไเหตุเนี่ยนะ เป็นเหมือนนครที่สร้างไว้ดีถามว่ามันไม่พังศัตรูทั้งหลายคือศัตรูคืออะไรศัตรูก็คือมณทินทั้งหลายสามารถต้านภัยเหมือนดอกประทุมเ่เพราะไม่แปดเปื้อนด้วยมนทินคือความตนหีไอ้ความตนหนีใช่ความโลภความโกรธราคะมานะทิฏฐิจิกจฉาหิริกาอันนั้นเป็นศัตรูใช่ไหอย่าลืมนะตอนนี้เรากำลังต่อสู้นะ เนี่ยตอนที่เราจ ะ, จะ เ, าาเจริญทานเจตนาโยธานเนี่ยนะกองทัพของทานก็ดีศีลเจตนาโยธานเนี่ยข ม, ม้าเจตนาโยธาปัญญาเจตนาโยธาเราจะเดินบารมีสิบเนี่ยอันนี้มันเป็นสถานการณ์การสู้รบเนะมันสู้กิเลสถ้าทานาเจตนาจริงๆเป้าหมายของเขาคือทําลายโลภะใช่ไหมคือเป้าจิตของจิตของทานาเจตนาเนี่ยทำลายโลภะแต่โลทำลายโลภะเพื่ออะไรเพื่อให้อโลภะเด่นขึ้น เขเรียกอโลภาทานเพราะอโลภาเด่นขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้อโทสะตามมาด้วยเพื่อจะไปตัดรอนตัวมัชริยะเอาทำไมต้องกระตุ้นสองตัวอโลภาอโทสะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจะให้อโมหะคือปัญญาเกิดปัญญาจะได้ไปเข้าใจเรื่องกรรมไงเข้าใจทานไงเพราะธรรมชาติของปัญญาเนี่ยเกิดยากปัญญาจริงๆเนี่ยเกิดยากสภาพของปัญญาเนี่ยเพราะ สภาพของการอ่านอ่านอ่านอย่างเดียวไม่ข่ควรไม่ไปตึกวิจัยเนะี่ยไม่พอไงยยุกเรานี่นะเพราะกุศลที่เราสั่งสมมาอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยแต่ละคนไม่เท่ากันนี่นะแต่บางคนก็เกิดได้เร็วอันนั้นก็แล้วแต่เหตุปัจจัยใช่ไหมที่สั่งสมมาฉะนั้นั้งบอกว่าถ้าสภาพของความปลาโมดปีติความสุขความเหม็นไมสมานาเป็นอสังขาริกนี่นะเป็นญาสมัยุทธ์มันเกิดยากเนะ แต่มันจะเกิดมันจะเกิดหรือไม่เกิดมันต้องการปลุกเร้ามันการสร้างปรุงแต่งให้เกิดใช่ไหมเป็นสังขารธรรมเนี่ยเป็นสังขารขันเนี่ยเอาอะไรไปปรุงแต่งล่ะเอาความไม่โลภกระตุน้นเอาความไม่โกรธกระตุน้นใช่ั้ยอะไรอะไจะเป็นปัจจัยทำให้อโลพาเด่นขึ้นมาือ ก, ก, การสละกไงการสลากไลสละพราสลัเบีดเสร็จถ้าคนสละบมากๆนี่ก็เห็นชัด เป้าหมายจริงๆก็คือต้องการสละตัวเจตนาตัวเจตนาแต่ตัววัตถุนั้นเป็นอารมณปัจจัยเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็ว่าไปเพื่อจะเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดขึ้นอย่างมากแล้วก็เริ่มกระตุ้นอารมพะให้เด่นขึ้นเมื่ออโลมพะเด่นขึ้นความไม่ติดข้องท่านถึงบอกเหมือนดอกบัวไงดอกปฐุมเนี่ยดอกบัวเนี่ยไม่แปดเปื้อนหรอก ไม่แปดเพื่อนมนทินใช่ไหมสวยสะอาดความตณีเ น, นี่ยเป็นมนทินราคะกัเป็นมนทิ น, น, น, ทนโทสะโมหะเป็นมนทินเลยนะเป็นเหมือนอคคณีเาผาผ่านมนทินด้วยไฟอะ่ะเป็นเหมือนไฟอะ่ะถามบอกว่าไฟเนี่ยเวลาจุดขึ้นมาแล้วมันเผาใช่ไหมปัญญาใช่ไหมอะโลพะเวลาเด่นขึ้นมาแล้วมันเผา เผาความโลภอโทสะเนี่ยเผาความโกรธอโมหะเนี่นเผาความหลงใช่ไหมเป้าหมายในการทานเจตนาศีลเจตนาเป็นต้นเนี่ยทานาเจตนาโยธาศีลเจตนาโยทาเนคขมะเจตนาปัญญาเจตนาโยทะกองทัพของบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ของพระศาสดาแม้เราท่านทั้งหลายที่ขับเคลื่อนกันเนี่ยก็เพื่อจะเผา เ, เป็นธรรมเป็นอคคณีเป็นไฟเผาเผาบนทินเนี่ยคือราคาโทสะเป็นเหมือนอสรพิษเนี่ย เพราะมวลทินเหล่านั้นเข้าใกล้ได้ยากถามว่าเมื่อไรใจของเราจะเหมือนอสราพิษถ้าอสรพิษในที่นี้หมายถึงอะไรหมายความว่าไม่อยากเข้าใกล้อะไรไม่อยากเข้าใกล้ราคะไม่อยากเข้าใกล้ถ้าราราคะโทสาโมหะหรือมนทินคือคือมัฉริยะความตนันหนีความเหนียวแน่นความยึดติดทั้งหลายเนี่ยไม่อยากเข้าใกล้นี่หรือหรือเป็นเหมือน ราชสีเพราะไม่ทําความสะดุ้งกลัวแก่ผู้ให้ทานเป็นเหมือนหัสดินช้างว่าทรงกําลังแก่ผู้ให้ทานเป็นเหมือนพญาโคเผือกเพราะสมมติว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นเหตุแห่งความเจริญเป็นเหมือนพญาอัศว์วาราหกเป็นเหมือนมานะ้าเนี่ยพาไปถึงถิ่นอันกเกษมเป็นต้นได้ตอนนี้ท่านก็นมาเดินในลักษณะอย่างนี้ก็คือเข้ามาต่างๆเหล่านี้ที่พระบรมศาสดาท่านยกมาตามที่ทต่างๆ ไม่ว่าในชั้นของพุทธวงยรยาปีดกนะในชั้นของคําสอนต่างๆหรืออัตภาพรัคคาจารย์ทั้งหลายที่ท่านมายกอุปมาต่างๆเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อเราเห็นข้ออุปมาว่าคือสถานการณ์เป็นสถานการณ์ในการลบพุ่งกับกิเลสพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าก็กล่าวกัไว้เกี่ยวบอกว่าสถานการณ์ในการลบว่าใครเป็นศารไสานาที่1 2ึ่5กลุ่มกิเลส ทำทั้งหลายที่เผาลนจิตใจของสัตว์อยู่ที่ทําให้เราท่านทั้งหลายเล่าร้อนวิตกกังวลทั้งหลายด้วยราคะตัวสาโมหะต่างๆเหล่านี้อบายวิธีหลักการต่างๆที่พระาศาสดาวางหลักไว้อันนั้นจะเป็นเครื่องนาเดินหรือเป็นเครื่องทําให้เราท่านทั้งหลายนั้นเดินก็สู่จุดหมายปลายทางสุดท้ายท่านถึงใช้คําว่าเป็นเหมือนพยาอัสวะเวลาหเป็นเหมือนมา้าจะพาไปถึงถิ่นอันกเกษมก็คือการพ้นทุกข์ได้ใช่ไหม ถ้าเราเห็นว่าเออผลของทานนะกุศลทําให้ได้ภวะสมปติวิภาวะสัมปติไงได้ภวะวิภวะสัมปติได้ความสมบูรณ์ในภพชาติและความสิ้นจะภพชาติติไหมศีลกุศลก็ในลักษณะเดียวกันแม้ภาวนากุศลก็ที่จริงทานกุศลศีลกุศลเนี่ยท่านตั้งผลของท่านเนี่ยท่านตั้งไว้ในมรรคต่ํา3ผลต่ำสามภาวนากุศลท่านไปตั้งไว้ที่อราอราธมคอาราธผลเนี่ยนะท่านก็ตั้งหลัก สรุก็คือทานศีลภาวนาแท้จริงก็เกื้อกูล ก, กันเพื่อเป็นปัจจัยแก่การพ้นจากวัฏทุกได้อันนี้คือหลักเห่งการขัดเกลาที่พระาศาสดาวางหลักเอาไว้ในทานศีลภาวนานี่สมควรเกี่ยวเวลาแล้ว